กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิดิโอกรอบกลัวกล่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ธรรมบุฟังธรรมบุฟังมาพบกับข้าพเจ้าส่วนในวันพฤหัสและศุกร์ก็มีคุณสรนสนีนาคพงมาร่วมด้วยในแต่ละสัปดาห์นั้นข้าพเจ้าจะเลือกเรื่องราวที่เป็นทั้งโดยอัตถะด้วยโดยเพียรชนะด้วยที่เป็นไปนในทางคําสอนของพุทธานี่แหละหมายธรรมบุฟังได้ฟังกัน ฟังแล้วตัมบฟังเราต้องมีการแยกชั้นของข้อมูลให้ดีให้ออกให้ได้แตเพราะว่าตอนนี้ศ า, ศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเป็นเป็ น, ปนท่านไม่อยู่แล้วหรืออยู่แต่คําสอนที่มีอยู่เพระาะฉะนั้นในคําสอนที่มีเนี่ยมันไม่ใช่ออกจากปากท่านนะเพราะว่ามีคนบอกเขาต่อมาอีกทีหนึง่งบอกต่อกันมาบอกต่อกันมาคนที่ข้าพเจ้าฟังมาเนี่ยก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกก็เป็นสาวกที่นําคําสอนบอกต่ อ, ต, อต่อกันมา ในตำราบ้างเขียนบันทึกไว้บ้างเป็นการพูดปากปลาบ้างคนที่ทำผู้ฟังฟังมาไม่ว่าจะฟังจากข้าพเจ้าหรือจากใครก็ตามบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่สัมมาสัมพุท ธ, ธะเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปตั้งนานแล้วเหลือแต่คําสอนที่มีเพราะฉะนั้นในคําสอนเหล่าเนี้เราจึงต้องมาดูแยกชั้นของหลักฐานให้ออกให้เป็นเพื่ออะไรเพระะื่อจะได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งถูกต้องได้ว่าชั้นของหลักฐานที่เป็นชั้นปฐมภูมิ นัที่เป็นพุทธพจน์ทวารพทธเจ้า ต, ตรัสเอาไว้พอจะมีหลักฐานแน่ใจได้แต่ว่าต่อให้เป็นปฐมภูมิอย่างไรก็ตามแต่นะก็อันนี้ก็เป็นที่เขาจดบันทึกมาที่เขาบอกต่อๆกันมาแล้วก็หลายรุ่นต่อต่อกันมาแล้วลถึงแม้จะเป็นปฐมภูมิก็ตามเราก็มีหลักฐานชั้นที่เป็นทุติยภูมิทุติยภูมินี่ก็คือเป็นหลักฐานข้อมูลที่ยืนยันมั่นใจได้แล้วว่าอันนี้เป็นส่วนที่อถาธิบายแที่เป็นคําสอนของพุทธะอีกทีหนึง่ง แเราแยกชั้นของข้อมูลทำความเข้าใจแล้วเราจะมีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้แต่มีเรื่องราวหนึ่งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งดีมาในพระสูตรเดิมเริ่มแท้จริงแล้วก็ส่วนที่เป็นคําอธิบายต่างๆนี่ที่มันจะมีความเกี่ยวข้องกันสอดคล้องรับกันเราฟังเป็นข้อมูลเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่เรียกว่าย ม, มะกษัตริยปาฏิหาริย์ตั้งบุฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่มีส่วนที่อยู่ในพระสูตร ที่มาในมัชิมานิกาเนี่ยได้ตรัสถึงเทวดาตนหนึ่งชื่อจันทะเทวดาตนนี้เขาได้ไปฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ที่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนที่นั่งของพระอินทในคราวที่จําบรรชาอยู่ที่นั้นแต่ตนี้จะเป็นเรื่องราวที่มาว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่นั้นได้ยังไงตอนไหนสมัยไหน แต่ตรงนี้คือเป็นเรื่องราวที่พระพเจ้ายกมาให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องของยมกะปาฏิหารพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงปาฏิหารที่ชื่อว่ายมกะปาฏิหารเรืนี้เป็นเรื่องยาวมากนะใชให้ท่านผฟังฟังด้วยกัน3ตอนด้วยกันนั่นคือในวันนี้ปรุ่งนี้เราก็มารื่อนี้แต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ปรารภเหตุว่าเฮ้ยทำไมถึงแสดงปาฏิหารนั่นก็เพราะว่าห้ามไม่ให้ภิกษุเนี่ยแสดงปาฏิหารนั่นแหละ ตัวพระองค์เองก็เลยต้องแสดงปาฏิหาริย์เองพอแสดงปาฏิหาริย์เสร็จแล้วก็เป็นตำเนียประเพณีว่าจะไปจำปรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าไอ้คำอธิบายมันยาวหน่อยตรงนี้ท่านั่นเองก็เลยมาจะมาให้ฟังกันถึงสตอนในตอนแรกนี้จ ะ, ระรบารมิเหตุก่อนว่าทําไมถึงห้ามทําปาฏิหาริย์แล้วทําไมพระองค์ถึงจะมาทําปาฏิหาริย์ที่ห้ามทําปาฏิหาริย์นี่ก็เพราะว่า ท่านพระภารตะวชะผู้ที่มีฤทธิ์มากเป็นพระอ า, าราันด้วยนไปทําปาฏิหารโดยการหอะขึ้นไปเอาบาดแก่นไม้จันแดงซึ่งบาดแก่นไม้จันแดงนี่มาจากไหนก็มาจากเศรษฐีชาวเมืองราชจคฤติที่เขาเอาบาดไม้เนี่ยเพื่อที่จะต้องการจะพิสูจน์ว่าในโลกนี้มีพระอ า, าราัอยู่จริงหรือไม่นั้นจึงเป็นที่มาว่าห้ามภิกษุมีบาดไม้แล้วก็ ห้ามทำปาฏิหาริย์ด้วยแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นทั้งังเพราะว่าในสมัยนั้นเป็นช่วงต้นๆแค่สักประมาณสิปีแรกนั่าจะประมาณปีที่เจ็ดที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์นี้ก็ยังมีพวกที่ไม่ลงใจเห็นแยง้แยงเกลือบแคลงพวกปริพาชคต่างๆก็มาท้าว่าถ้าไม่ทำปาฏิหาริย์ฉันจะทำปาฏิหาริย์หน้ท้าในการที่จะทำปาฏิหาริย์กันก็จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้ารับคำท้าเรื่องราวนั้นยังมีพิสดานอีกต่อไปทั้งังถึงเรื่อง สถานที่ที่สแสดงปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าเรื่องราวนี้ปรารบเกิดขึ้นที่เมืองราชจุคฤไปทำปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีจนนับฟังเรื่องของยะมะกาปาฏิหาริย์ได้ก็เทศนาได้ตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชจุคฤึกความพิสดารว่าสมัยหนึ่งเศรษฐีชาวกรุงราชจุคฤกให้ขึงคายมีสันตานคล้ายขวด เพื่อความปลอดภัยและเพื่อรักษาอาพอรอนเป็นต้นที่หลุดไปด้วยความพลั้งเปลือแล้วเล่นกีฬาทางน้ำในแม่น้ำโขงคาก็ในการนั้นต้นจันแดงต้นหนึ่งเกิดขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำาคงคามีรากถูกน้ำในแม่น้ำโคงคาซอกโค่นหักกระจัดกระจาย อยู่บนหินเหล่านั้นเหล่านั้นครั้งนั้นมีปุ่มปุ่มหนึ่งมีประมาณเท่าหม้อถูกหินครูดสีถูกคลื่นน้ำชัดเป็นของเกลี้ยงเกลาลอยไปโดยลำดับอันสลายรว่วรัดมาติดที่ข่ายของเศรษฐีนั้นเศรษฐีจึงกล่าวถามว่านั่นอะไรได้ยินว่าเป็นปุ่มไม้ จึงให้นำปุ่มไม้นั้นมาให้ถากด้วยปลายมีดเพื่อจะพิจารณาว่านั่นชื่ออะไรในทันใดนั่นเองจันแดงมีสีด่งครั้งสดก็ปรากฏก็เศรษฐีอย่างไม่เป็นทั้งสัมมาทิฏฐิไม่เป็นทั้งมิจฉาทิฏฐิวางตนเป็นกลางเขาคิดว่าจันแดงในเรือนของเราก็มีมาก เราจะเอาจันแดงนี้ทำอะไรน้อแลที่นั่นเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ในโลกนี้พวกที่กล่าวว่าเราเป็นอรหันต์ก็มีอยู่มากเราไม่รู้จักพระอรหันต์แม้สักองค์หนึ่งเราจะให้ประกอบเครื่องกลึงไว้ในเรือนให้กลึงบาดแล้วใส่สาแหลห้อยไว้ในอากาศประมาณ60สอก โดยเอาไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปแล้วจะบอกว่าถ้าว่าพระอรหันต์มีอยู่จงให้มาทางอากาศแล้วถือเอาบาดใบนี้ผู้ใดจะถือเอาบาดนั้นได้เราพร้อมด้วยบุตรปรยาจะถึงผู้นั้นเป็นสารณะเขาจึงให้กลึงบาดในทํานองที่คิดไว้นั่นแหละให้ยกขึ้นโดยเอาไม้ไผ่ต่อต่อกันขึ้นไปแล้ว เล่าขึ้นว่าในโลกนี้ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นจงมาทางอากาศถือเอาบาดใบนี้ตอนครูทั้งหกอยากได้บาดหมยจันรครูทั้งหกเล่ากันว่าบาดนั้นสมควรแก่พวกข้าพเจ้าท่านจงให้บาดนั้นแก่พวกข้าพเจ้าเสียเถิดเศรษฐีนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านจงมาทางอากาศแล้วเอกไปเถิด ในวันที่ 6, นหนิครนนาตบุตรทรงพวกอันเตวาสิกไปด้วยคำว่าพวกเจ้าจงไปจงพูดกับเศรษฐีอย่างนี้ว่าบาทนั่นสมควรแก่อาจารย์ของพวกข้าพเจ้าท่านอย่าทำการมาทางอากาศเพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อยเลยในยะว่าท่านจงให้บาทนั่นเถิดพวกอันเตวาสิก ค, คือลูกศิษย์ก็ได้ไปพูดกับ เศรษฐีอย่างนั้นแล้วเศรษฐีจึงกล่าวว่าก็ผู้ที่สามารถมาทางอากาศแล้วถือเอาไปได้เท่านั้นจงเอาไปดังนี้ก็นาถบุตรนั้นเป็นผู้ปรารถนาจะไปเองจึงได้ให้สัญญาแก่พวกอันเตวาสิก ค, คือลูกศิษย์ของตนว่าเมื่อเราจะยกมือและเท้าข้างหนึ่งเป็นทีว่าปรารถนาจะหอะ พวกเจ้าจงร้องบอกเราว่าท่านอาจารย์ท่านจะทำอะไรท่านอย่าแสดงความเป็นพระหรหันที่ปกปิดไว้เพราะเหตุแห่งบาดไม้แก่มหาชนเลยดังนี้แล้วจงพากันจับเราที่มือและเท้าดึงไว้ให้ล้มลงที่พื้นดินดังนี้แล้วเขาก็ไปในที่นั้นแล้วกล่าวกับเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีบาดนี้สมควรแก่เรา ไม่สมควรแก่ชนผู้อื่นท่านอย่าชอบใจการเหาะขึ้นไปในอากาศของเราเพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อยจงให้บาดแก่เราเถิดเศรษฐีท่านผู้เริญท่านต้องเหาะขึ้นไปทางอากาศแล้วถือเอาเถิดลำเดัมน่นาจะบุตรจึงกล่าวกินว่าถ้าใช่นนั้นพวกเจ้าจงหลีกไปหลีกไปพวกอันเตวาสิกออกไปแล้ว เขาก็กล่าวขึ้นว่าเราจะเหาะขึ้นในอากาศเดียวนี้ดังนี้แล้วก็ยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่งที่นั้นพวกอันเตวาสิกกล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ท่านจะทำชื่ออะไรนั่นประโยชน์อะไรด้วยกุณที่ปกปิดไว้อันท่านแสดงแกมหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไม้นี้แล้วช่วยกันจับนาตบุตรนั้นที่มือและเท้า ดึงมาให้ล้มลงบนแผ่นดินเขาบอกกับเศรษฐีว่าหมาเศรษฐีอันตวิวาสิ่งเหล่านี้ไม่ให้หอบขึ้นไปท่านจงให้บาดแกเราเศรษฐีท่านผู้เจริญท่านต้องหอกขึ้นไปถือเอาเิดพวกเนรตีแม้พยายามด้วยอาการอย่างนี้สิ้นหกวันแล้วยังไม่ได้บาดนั้นเลย ตอนพระบินโธละพารัวาชะแสดงปาฏิหารก็ในวันที่เจ็ดในการที่ท่านพระมหาโมกขลานะและท่านพระบินโธละพารัวาชะไปยืนบนหินดานแห่งหนึ่งแล้วห่มจีวรด้วยตั้งใจว่าจะเที่ยวไปเพื่อบินบาตในกรุงราชกฤชพวกนักเลง ได้คุยกันว่าชาวเราเอ๋ยในการก่อนครูทั้งหกกล่าวว่าพวกเราเป็นพระอรันในโลกก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชครึกให้ยกบาทขึ้นไว้แล้วกล่าวว่าถ้าว่าพระอรันมีอยู่จงหอะมาะทางอากาศแล้วถือเอาเถิดก็วันนี้เป็นวันที่เจ็ดแม้สักคนหนึ่งชื่อว่าหอะขึ้นไปในอากาศด้วยแสดงตนว่า เราเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ได้มีวันนี้พวกเรารู้ความที่พระอาหารหันต์ไม่มีในโลกแล้วดังนี้เมื่อท่านพระมหาโมคลานะได้ยินถ้อยคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับท่านพระปิณฑโละปารัตวาชาว่าท่านปารัตวชะท่านได้ยินถ้อยคําของพวกนักเลงเหล่านี้ไหมพวกนักเลงเหล่านี้พูดเป็นทีว่า จะย่ำยีพระพุทธศาสนาก็ท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากท่านจงไปเถิดจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาดใบนั้นท่านปินโฑลพระร r a t h w a c จึงได้กล่าวว่าท่านอาวุโสมโมคลานะท่านเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาสาวกผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านจงถือเอาบาดนั้นแต่เมื่อท่านไม่ถือเอาผมจะถือเอา ก็เมื่อพระมหาโมกขานะกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระทวชะท่านจงถือเอาเถิดท่านปินโทระพระทวชะจึงเข้าชานที่สี่มีอภิญญาเป็นบาทฐานออกจากสมาธิแล้วเอาปลายเทา้าขีบหินดานมีขนาดประมาณสามก้าวุธให้ขึ้นไปในอากาศเหมือนปุยนุ่น แล้วหมุนเวียนไปในเบื้องบนพระนักรราชฤก์เจ็ดครั้งหินดานนั้นปรากฏดัง้าครอบพนะนักกอไวประมาณสามข่าวหุ้บพวกชาวพระนักรกรกลัวร้องกันว่าหินจะตกทับข้าพเจ้าจึงทำเครื่องกัน้นมีกระด้งเป็นต้นไว้บนกระหม่อมแล้วซุกซ่อนในที่นั้ น, น, นในวาระที่7 พระเถระทำลายหินดานแสดงตนแล้วมหาชนเห็นพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านบินทวละพารัวะชะผู้เจริญท่านจงจับหินของท่านไว้ให้มัน่นอย่าให้พวกข้าพชาทั้งหมดพินาศเฉยเลยพระเถระเอาปลายเทา้าเวียงหินทิ้งไปแผ่นหินนั้นไปตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเอง พระเทระได้ยืนอยู่ในที่สุดแห่งเรือนของเศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วหมอบลงกราบเรียนว่าเชิญลงมาเถิดพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนิมนต์พระเทระผู้ลงจากอากาศให้นางแล้วให้นําบาตรลงกระทําให้เต็มด้วยวัตถุอันมีรสหวานสี่อย่างแล้วได้ถวายแก่พระเทระพระเทระรับ บ่ายแล้วก็บ่ายหน้าสู่พิหารไปแล้วลำดับนั้นชนเหล่าใดที่อยู่ในป่าบ้างที่อยู่ในบ้านบ้างไม่เห็นปาฏิหาริย์ของพระเถระชนเหล่านั้นประชุมกันแล้วก็วิ่งบอนพระเถระว่าแคาแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงแสดงปาฏิหาริย์แม้แก่พวกผมดังนี้แล้ว ก็พากันติดตามพระเทระไปพระเทระนั้นแสดงปาฏิหารแก่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นพลางได้ไปยังพระวิหารแล้วตอนพระาศาสดาทรงห้ามไม่ให้ภิกษุทำปาฏิหารพระาศาสดาสดับเสียงแห่งมหาชนที่ติดตามพระเทระนั้นอื้ออึงอยู่จึงตรัสถามว่า อ น, อนุนนั่นเสียงใครท่าน布拉นน์ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระปินโทละพรัวาชะเข้าขึ้นไปในอากาศแล้วถือเอาบาดไม้จันนั่นเสียงในสำนักของท่านพระศาสดาจึงรับสั่งให้เรียกพระปินโทละพรัวาชะมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอทําอย่างนั้นจริงรึอท่าน布รตวาชะ จึงกราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าค้าพระผู้มีรพระภาคพระราชะทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นและได้ทรงตีเตียนพระเทระแล้วรับสั่งให้ทำลายบาดนั้นให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วรับสั่งให้ประธานแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่อันบทผสมยาหยอดตาแล้วทรงบัญญัติสีขาบท แก่พระสาวกทั้งหลายเพื่อต้องการไม่ให้ทําปาฏิหารฝ่ายพวกเดรตีได้ยินว่าทราบว่าพระสมณโคดมให้ทําลายบาสนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พวกสาวกทั้งหลายเพื่อต้องการไม่ให้ทําปาฏิหารนั่นี้แล้วจึงเที่ยวบอกกันในถนนในพระนกกรบากสาวกทั้งหลายของพระสมณโคดม ไม่ก้าวล่วงสิกาบทที่ทรงบัญญัติแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถึงพระสมณโคดมก็จะรักษาสิกาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเหมือนกันบัด น, นี้พวกเราได้โอกาสแล้วแล้วก็กล่าวขึ้นอีกว่าพวกเรารักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไว้ในการกรนแต่เราสาวกของพระสมณโคดม แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาปพระสมณโคดมรับสั่งให้ทําลายบาสนั้นแล้วทรงบัญญัติสีขาบทแก่เหล่าสาวกเพราะพระองค์เป็นบัณฑิตบัดนี้พวกเราจะทําปาฏิหาริ์กับพระสมณโคดมนั่นแลพระเจ้าปิมพิสารทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วจึงเสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา กราบทูลขึ้นมาก็าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสี่ขาบทแก่เราสาวกเพื่อต้องการไม่ให้ทำปาฏิหาริย์เสียแล้วหรือพระศาสดาข้อนั้นถูกแล้วมหาปพิธพระราชาก็ในบัดนี้พวกเดรัจฉีพากันกล่าวว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์กับด้วยพระองค์ก็ในบัดนี้พระองค์จะทรงทาอย่างไร พระศัสดาก็เมื่อเดรัจเหล่านั้นกระทำอารามภาพก็จะกระทํามาประพิธพระราชาก็พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไวแล้วไม่ใช่หรือพระศัสดามหาประพิธอารามภาพไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเพื่อตนสิกขาบทนั้นนั่นและอารามภาพบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลายพระราชา เป็นนั้นว่าพระองค์ทรงบัญญัติศีขาบทแก่สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นยกเว้นพระองค์หรือพระชกข้าพระศาสดามหาปพิธถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะย้อนถามพระองค์นั่นแหละในรเรื่องนี้มหาปพิธก็พระอุทยานในแว่นแวลนของพระองค์มีอยู่หรือพระราชามีอยู่พระชกข้าพระศาสดามหาปพิธ ถ้าว่ามหาชนพึงบริโภคผลไม้เป็นต้นว่าผลมะม่วงในอุทยานของพระองค์พระองค์จะทรงทำอย่างไรพระราชาถ้าพระองค์ก็จะพึงลงอาจยาพระชก้าพระศาสดาก็พระองค์ย่อมเสวยได้หรือพระราชาได้พระชก้าพระอาจยาย่อมไม่มีแค่มอมฉันมอมฉันย่อมได้เพื่อเสวยของของตนพระศาสดา อาบพิอาทาแม้ของอรมภาพย่อมแผ่ไปในแสนโกฏจักรบาลเหมือนราชอาญาของพระองค์ที่แผ่ไปในแว่นแคว้นประมาณสามราอยโยต์อาจญาไม่มีแก่พระองค์ผู้สวยผลไม้ทั้งหลายเป็นต้นว่าผลมะม่วงในพระอุทยานของพระองค์แต่มีอยู่แก่ชนเหล่าอื่นขึ้นชื่อว่าการก้าวล่วงบัญญัติคือสิกขาบท ย่อมไม่มีแก่ตนแต่ย่อมมีแก่สาวกเหล่าอื่นอารมณภาพจึงจะทําปาฏิหาริย์ก็เมื่อพว้เดรัตถีฟังถ้อยํานั้นแล้วจึงได้ปรึกษากันว่าปัจบันนี้พวกเราชิบหายแล้วได้ยินว่าพระสมณโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเหล่าสาวกเท่านั้นไม่ทรงบัญญัติไว้เพื่อตนได้ยินว่า ท่นปรารถนาจะทําปฏิหารเองทีเดียวพวกเราจะทําอย่างไรกันเล่าพระราชาจึงทูลถามพระศาสดาว่าเมื่อไรพระองค์จะทรงทําปฏิหารพระเจ้าข้ะพระศาสดามหาบา์บบิทโดยล่วงไปอีกสเดือนต่อจากนี้วันเพ็ญเดือน8จะกระทาพระราชาพระองค์จะทรงกระทําที่ไหนพระเจ้าข้าพระศาสดา อาตมภาพจะอาศัยเมืองสาวัตถีธรรมมาประพิธมีคำถามสอดเข้ามาว่าก็ทำไมพระศัส ด, สดาจึงอ้างที่ไกลยอย่างนี้มีคำตอบแก่ว่าเพราะที่นั่นเป็นสถานที่ทำมหาปาฏิหารของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อีกอย่างหนึ่งพระองค์อ้างที่ไกลทีเดียวแม้เพื่อประโยชน์จะให้มหาชนประชุมกัน พวกเดรธีฟังถ้อยคำนั้นแล้วกล่าวว่าได้ยินว่าต่อจากนี้โดยล่วงไปสี่เดือนพระสมนักโครมจะทำปฏิหารณเมืองสาวัถีแบบ น, นี้พวกเราไม่ละเทียวจะติดตามพระองค์ไปมหาชนเห็นพวกเราแล้วจะถามว่านี่อะไรกันที่นั้นพวกเราจะบอกแกเขา ว, ว่าพวกเราพูดไว้ว่า จะทำปฏิหารกับพระสมณโคดมพระสมณโคดมนั้นย่อมหนีไปพวกเราไม่ให้พระสมณโคดมนั้นหนีจึงติดตามไปดังนี้พระศาสดาสเสด็จเที่ยวไปบินบาบในกรุงราชกฤห์ออกมาแล้วถึงพวกเดรศีก็ออกมาข้างหลังของพระองค์นั่นแหละอยู่ใกล้ที่ที่ทพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรทมพัฒกิจในวันรุ่งขึ้นพืเดรดีบริโภคอาหารเช้าในที่ที่ตนอยู่แล้วเดรดีเหล่านั้นถูกพวกมนุษย์ถามว่านี่อะไรกันจึ่งบอกโดยนายะแห่งคำที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแหละฝ่ายมหาชนคิดว่าพวกเราจะดูปาฏิหารณ์ในนี้แล้วก็ได้ติดตามไป พระศาสดาบรรลุถึงถคนครสาวัตถีโดยลำดับแม้พวกเดรรตีก็ไปกับพระองค์เหมือนกันชักชวนอุปถากได้ทรัพย์แสนหนึ่งแล้วให้ทำบนดบด้วยเสาไม้ตะเคียนให้มุงด้วยอุบลเขียวนั่งพูดว่าพวกเราจะทำปฏิหารในที่นี้ราะนั้นพระเจ้าเปรย์ที่กาศล เสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าพวกเดียธีให้ทําบุญดบแล้วพระเจ้าข้าแม้ข้าพระองค์จะให้ทําบุญดบเพื่อพระองค์พระศาสดาอย่าเลยมา้าปิตผู้ทําบุญดบของอัตมาภาพมีอยู่พระราชาคนอื่นใครเล่าเว้นข้าพระองค์เสียจะอาจทําได้พระเจ้าข่าพระศาสดาเท้าสกัดเทวราช พระราชก็พระองค์จะทรงทาปฏิหาริที่ไหนเล่าพระชก้าพระศาสดาที่กวงไม้คันตามพรึกมาประพิษเมื่อพวกเดรรทีได้ยินว่าได้ข่าวว่าพระสมณโคม ร, รมจะทำปาฏิหาริที่กวงไม้มะม่วงจึงบอกผู้อุปตา k ์ของตนให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆโดยที่สุดแม้งอกในวันนั้น ในที่ระหว่างโยอดหนึ่งแล้วให้ไปทิ้งในป่าตอนประวัติต้นคันธามพรุกในวันเป็นเดือนแปดพระสัสดาเสด็จเข้าไปในภายในพระนครผู้รักษาสวนของพระราชาชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบมีมดดำมดแดงทำรังไว้ ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความโลภในกลิ่นและรสแห่งมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วถือเอาเพื่อประโยชน์แก่พระราชาเดินไปเห็นพระศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาพณ ะ, ะแก่เรา8กรหาปณะนะหรือสิบกกหาปณะนะกรหาปณ ะ, ะนั้นไม่พอเพื่อเลี้ยงชีพ ในอัตภาพหนึ่งของเราก็ทว่าเราจะถวายผลมะม่วงนี้แก่พระศาสดานั่นจะเป็นคุณนําประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดการไม่มีที่สิ้นสุดดา น, น, นี้แล้วเขาจึงน้อมถวายผลมะม่วงนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนอแล้วลำดับนั้นพระเถระ น้ำบาด ท, ที่ท้าวมาหาราชทั้งสี่ถวายออกมาแล้ววางที่ราชของพระองค์พระองค์ส่งน้อมบาดเข้าไปรับมะม่วงแล้วทรงแสดงอาการเพื่อประทับนั่งในที่นั้นนั่นแหละพระอนุตเทระได้ปูจีวรถวายแล้วลำดับนั้นเมื่อพระองค์ประทับนั่งบนจีวร น, นั้นแล้วพระเทระ กรองน้ำดื่มแล้วเขาย่ำมะม่วงสุกผลนั้นทําให้เป็นน้ําปานะถวายพระศาสดาสเสวยน้ําปานะผลมะม่วงแล้วจึงตรัสกับนายคันธะว่าคันธะเธอจงคุยดินร่วนขึ้นแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงในที่นี้นี่แหละดังนี้และเขาก็ได้ทําอย่างนั้นแล้วพระศาสดา ทรงล้างพระธาตบนเม็ดมะม่วงนั้นพอเมื่อพระธาตุทนพระองค์ทร ง, งล้างแล้วเท่านั้นต้นมะม่วงมีลําต้นเท่าเงอนไถมีประมาณห้าสบซอกโดยส่วนสูงงอกขึ้นแล้วกิ่งใหญ่ห้ากิ่งคือในทิศสี่ทิศทิศละกิ่งเบื้องบนกิ่งหนึ่งได้มีประมาณกิ่งละห้าสิบอกเถียว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 ไว้ด้วยพระรํารมัตว่าใครๆอย่าตัดต้นมะม่วงนั้นก็ต้นมะม่วงนั้นพระกฏชื่อว่าคันธามปรึกเพราะความที่นายคันธะปลูกไว้แม้พวกนักเลงที่เกี้ยกินผลมะม่วงสุกก็กล่าวกันว่าเจ้าพวกเดรธีถอยเว้ยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณโคดมจะทรงทำปาริหาร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 ดังนี้ว่าท่านจงถอนมนตดกของพวกเดรตีเสียด้วยลมแล้วให้ลมหออไปทิ้งเสียบนแผ่นดินที่กองอยากเยื่อดังนี้แล้วเทวบุตรนั้นได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้วเทาว้าสากรับสั่งสุริยะเทวบุตรว่าท่านจงขยายมนต์ทนพระอาทิตย์อย่างพวกเดรตีให้เร่าร้อน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 ได้เป็นเช่นกับจอมปลวกแดงท้าวสักกะทรงสั่งบังคับแม้วัดสระวลาหกเทวปบุตรคือเทวประบุตรตแห่งฝนด้วยคำว่าท่านจงให้หยาดน้ำเม็ดใหญ่ๆตกลงเทวประบุตรนั้นก็ได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้วที่นั้นกายของพวกเดรรตีเหล่านั้นได้เป็นเช่นกับแม่โคด่างแล้ว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 เอาเชือกผูกหม้อเข้าที่คอของตนแล้วกระโดดลงไปในห่วงน้ำย่างฟองน้ำให้ตั้งขึ้นอยู่ทากาละแล้วเกิดในอเวจีแล้วพระศาสดาทรงดริมิตทางจงกรมแก้วในอากาศที่สุดด้านหนึ่งของทางจงกรมนั้นได้มีที่คอปากจักรวาลด้านประจีนทิศด้านหนึ่งได้มีที่คอปากจักรวาล ด้านปัจจิมาทิตพระศาสดาเมื่อบริษัทมีประมาณส6โยต์ประชุมกันแล้วในเวลาบ่ายเสด็จออกจากพระกันทักุดีด้วยทรงดรมรีว่าบัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหาริย์แล้วได้ประทับยืนที่หน้ามุขเอาละทรมบวังนี่เป็นเวลาทำปาฏิหาริย์แล้วแม่พอจะทำปาฏิหาริย์เวลาก็หมดพอดีทัมวัง แต่ว่าตอนนี้เราได้ทราบแล้วถึงเหตุการณ์ว่าอ๋อทําไมถึงจะมาทําปาฏิหาริ์นะเพราะว่าท่านพระปิณฑรลับพาลทวชะได้แสดงปาฏิหาริย์ไว้คนฮือฮากันมากก็จึงเป็นเหตุว่าเอางั้นอย่าทําปาฏิหาริ์พอมีคําท้าจากพวกปริพาโชคเราอื่นก็จะทําปาฏิหาริ์บ้างใ น, นลีลาก่อนแสดงปาฏิหาริย์นั้นแม่ก็ช่างหน้าพิสดารนบุฟังเพราะว่าจะแสดงปาฏิหาริย์ที่ใต้ต้นมะม่วง นะคําว่ามะพรุกเนี่ยเป็นคําที่บ่งบอกถึงต้นมะม่วงอยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าคันธามะพฤุกก็คือต้นมะม่วงที่นายคันทะเป็นคนปลูกไว้เพราะฉะนั้นพวกบริบัตโชกก็เลยไปถอนต้นมะม่วงกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ไม่มีที่ให้พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์แต่การอุบัติขึ้นของต้นมะม่วงก็เป็นเรื่องที่ปาฏิหาริย์อีกเพราะว่านายคนนี้เขาเอามะม่วงมาถวาย พระบุรเจ้าให้ท่านพระอานุนทำน้ำปานะเรียบร้อยแล้วปลูกมเมล็ดลงก็โตขึ้นเป็นต้นมะม่วงเป็นที่แสดงปาฏิยานของพระบุตรเจ้าทันทีเอาล่ะท่านผู้ฟังเราจะมาฟังตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ว่าลีลาการทำยะมะกปะปาฏิยานนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้วกับปชาพระมหาไพบุญอาภีปุโนจาวไวรป่าดอนไฮโศกจุลันปัน